ศีลข้อหพออนุลมศีลข้อสห้ามเด็ดขาดหลวงพ่อไม่อยากจะสอนให้ใครเลิกเหล้าเลิกยาหรอกอยากกินกินไปแต่ให้รู้จักประมาณข้าวปลาอาหารกินเกินประมาณมันก็ให้โทษเหมือนกันกินเหล้าเนี่ยกินพอดิบพอดีมันก็ไม่ให้โทษ จริงอยู่ท่านบอกว่ามันผิดศีลในเมื่อเราอยู่ในสังคมก็ต้องอนุโลมกันไปอย่างสมมุติว่าเราเคยสนุกสนานร่วมกันไปร่วมงานเลี้ยงงานอะไรเนี่ยเพื่อนมันกินเหล่ายืนมาให้อัวไม่แต่อัวไม่เอาไม่เอามันหาว่าดูถูกมันมันเอาเหล้าสา์หน้าเอาอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกินมนลงไป แต่อย่าให้มันเกินประมาณถ้าให้เหล้ากินคนมันไม่ดีคนกินเหล้ามันไม่เป็นอะไรหรอกเพราะฉะนั้นเอากันอย่างนี้ในเมื่อเราละมันไม่ได้ก็เอามันไปแต่ให้รู้จักประมาณแต่ว่ากาเมสุมิชฉาจานสมัยเนี้ยอยากจะห้ามเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันแสดงอิทธิฤทธิ์ของมันออกมาอย่างโจงแจ้ง พี่น้องชาวนนทบุรีมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าหนุ่มหกคนจับผู้หญิงไปลงแขกพอเสร็จแล้วตำรวจไปเจอเข้าตำรวจจะจับนางผู้หญิงบอกว่าอย่าจับมันคุณตำรวจอ้าวจะไม่จับยังไงมันรังแกคุณไม่เป็นไรหรอกให้กรรมมันลงโทษมันเองเมื่อไหร่กรรมมันจะลงโทษมันมันลงแล้วเดี๋ยวเนี้ยมันก็ถูกกรรมลงโทษแล้วมันทําไมล่ะ หนูเป็นโรคเอดไอ้เจ้าหกคนเนี่ยวิ่งแจ้นไปหาหมอตรวจเลือดผลปรากฏว่าติดโรคเอดกันทุกคนเขามาเล่าให้พระที่เนี่ยฟังพระบอกว่าที่บ้านผมก็มีเหมือนกันคนเป็นโรคเอดเขากักบริเวณไว้มันลักลอบกลับไปบ้านหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยจับไปลงแขกสิบอดคนติดโรคเอดทั้งสิบอดคน เดียเ๋ยวนี้ตายไปแล้วเก้าคนยังทรมานอยู่สองคนสำหรับการละเมิดสินข้อสามเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นไปได้อยากจะขอห้ามเด็ดขาดวันหนึ่งหลวงพ่อไปเทศวัดมะกอกอยู่หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎพอเทศจบแล้วเข้ามาถามว่าหลวงพ่อ ผู้ชายมีบ้านหลายบ้านมีเมียหลายคนเนี่ยไม่น่าจะผิดศีลข้อการเมสุมิจฉาจาร์นะอา้าวทาไมละ่ะก็เพราะว่ามันตกลงปลงใจกันสมยอมกันแล้วนี่นะหลวงพ่อว่ามันผิดหรือเปล่าหลวงพ่อก็ไม่ตอบถามเขาคืนว่าคุณมีเมียกี่คนเขาตอบว่าผมเอามันด่าไปเรื่อยคุณไปมีเมียน้อยเมียหลวงมันด่าไหมมันไม่เฉพาะจะด่าสิ มันจะเอาปังต่อสับกระบาลเอาคุณรู้หรือยังว่ามันผิดตรงไหนผิดตรงที่จะถูกสับกระบาล น, นั่นแหละ